รากแก้วของพระพุทธศาสนาก็คือสัจธรรมทั้งสี่ได้แก่ทุกข์ลมหมูไทยนิโรธมรรรครวมหมดเช่นเดียวกับต้นไม้รากแก้วนั้นแหละสำคัญสามารถที่จะรวมกิ่งก้านสาขาดอกใบ ลำต้นทั้งหมดไม่ได้ถ้าลากแก้วได้ขาดกุดด้นวนก็เสียอย่างเดียวไม้ต้นนั้นเริ่มขาดความสมบูรณ์นันนับวันจะตายลงโดยลาดับจนกระทั่งตายไปเลยได้โดยไม่ต้องสงสัยศาสตรธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นหลักยืนตัวต่อความจริงทั้งหลาย ไม่มีอะไรที่จะกินยิ่งกว่าสัตว์จะทำทั้งสีนี้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนคลางส่วนละเอียดรวมลงได้ในสัจจะทำทั้งสีนี้ทั้งนั้นถ้าบกพร่องในสัจจะทั้งสีนี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีความบกพร่องในการปฏจจิบัติในการนับถือพระวศาสันาหรือศาสนาบกพร่อง สำหรับคนบกพร่องศัจในศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่ยังไงก็ตามความเชื่อในศัตธรรมหรือสัสจธรรมที่ประกาศสอนไวน้นี้ยังคงอยู่ทั้งเสี่อรียสั์แล้วก็ชีวศา ส, สนานยังคงเส้นคงว่าสามารถที่จะนำผู้ดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นคำว่าทุกข์เป็นสิ่ง ไม่พึงกำหนดรู้รู้เพื่อเห็นโทษของมันนั่นเองไม่ใช่รู้เพื่อหลงเพื่อเพื่อเพื่อเพลินเพื่อลืมเนื้อลืมตัวใครจะไปมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในความทุกข์ปกติธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผู้ปฏิบัติยังจะไปห้าวหาญต่อความทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อความทุกข์มีอย่างเหรือนั่น นอกจากจะพิจารณาหเห็นโทษของความทุกข์สิ่งที่เป็นภัยต่อโลกทุกวันนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์ทุกเคยเป็นพเคยเป็นภัยต่อผู้ใดเมื่อไหรไม่เคยมีแต่ความทุกข์นี้มีมากมีน้อยเป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งส่วนร่างกายและ จ, จิตใจมันเป็นภัยทั้งนั้นเป็นความทรมานอย่างมากฟังจากท่านแปลตามจับ ทุกขังแปลว่าทนไม่ได้นั่นฟังสิเพราะทุกเกิดขึ้นมันจะทนไม่ได้นั่งสงบอยู่ก็ตัวไหวใจไหวไปเลยนั่นท่านแปลตรงตามสาบจริงทุกขังนี้แปลว่าทนไม่ได้ใครเป็นขึ้นมาคนนั้นผลไม่ได้ต้องขยับขยื่ น, ต, นต้องดิ้นต้องดิดต้องสะบแสดงหาสิ่งมาเยียวยาแก้ไข จากนั้นท่านก็แปออกไปอีกว่าชาติปีตุขาชร า, าปิตุขามารรนนำปิทุขางชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ทำให้เป็นเช่นเดียวกันกับทุกข์ที่ท่านพูดไว้กลางๆว่าทนไม่ได้เข้าไปแทรกในชาติความเกิด ก็ต้องนิ่นโดนกวนกวายเพราะมันทนไม่ได้อยู่ในความแก่ก็กระเสือกกระสนกระวนกวายเพราะทนไม่ได้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กระเสือกกระสนกระวนกวายเพราะทนไม่ได้เวลาตายก็เช่นเดียวกันจกนกระทั่งสุดความสามารถเพราะทนไม่ได้ถึงกับต้องตายไปนี่เป็นจริงที่สัต พึง ป, ปาฏิาริย์แล้วเหลือธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกำวานมานานแล้วเรื่องทุกข์ที่เป็นภัยต่อโลกไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าทุกข์ท้าให้เกิดก็คือกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์นี่แหละเกิดขึ้นมาก็ชาติปีตุขาแล้วปรชาราปีตุขามาัมานนํำปีตุก ข, ขังมีแต่ทุกข์ ยาวเหยียดไปตลอดสายจนกระั้งถึงตายไปก็ยังไม่พ้นจากทุกข์หมดอัตภาพนี้แล้วเชื้อของทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจก็ต้องไปก่อภพกำเนิดเกิดขึ้นมาแบกหามทุกข์อีกร่ำไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตลอดกาลไมไหนถ้าไม่มีสัตว์จะทำฝ่ายมากเข้าไปแก้ไปถอดไปถอนเพื่อตัดทอนวัตวนให้น้อยข้ามาจนกระทั่งถึงสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วผู้นั้นไม่ต้อง ต้องบอกทุกสิ้นไปเองเพราะสาเหตุแห่งทุกข์ได้แก่จมูกไทยได้ถูกสังหารแล้วด้วยมากมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสมบัต น, นี่แหละคาว่าชัาจัตธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้ทุกไม่เคยแปลเป็นอย่างอื่นไม่เคยให้คุณต่อผู้ใดทุกต้องเป็นทุกบันยังทำใครโดนเข้าทนไม่ได้ทั้งนั้นจึงแปลว่า ทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของทุกคือทนไม่ได้ทุกจะอยู่โดยลําพังไม่เคยมีต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอาศัยเช่นอาศัยร่างของสัตว์จิตใจของสัตว์จึงทําให้กายและใจของสัตว์ทนไม่ได้ <c oughs> นี่จิงอย่างนี้ศาสนาสิ่งที่เป็นภายพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภายจริงๆ ไม่ได้เป็นความหลอกลวงไม่ได้ผิดแปลกจากสิ่งที่ตรัสไว้แม้แต่น้อยเพียงแต่ทุกขังอริยสัจจ์เป็นของจริงล้วนๆคือเป็นทุกข้ไม่เป็นอื่นสิ่งที่เป็นคุณก็ทรงแสดงว่าเป็นคุณบอกว่าเป็นคุณเพราะทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งตัวนี้มาแล้วอย่างโชคโชนถึงได้ผ่านพ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลกได้ ต้องนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เป็นโทษและเป็นภัยอเป็นโทษเป็นภัยและเป็นคุนนั่นแหละออกมาสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีจิตพลาดพลาเคลื่อนแม้แต่น้อย <c oughs> สมุทัยอริยสัจจังเคลื่อนตัวออกมาเมื่อไรก็เป็นก่อเรื่องก่อราทั้งนั้นไม่มีที่จะก่อความดบความดีให้สารโลกได้รับความถุกความสบาย ได้รับความรื่นเริงบันเทิงที่จะเป็นไปเพื่อความสุขอันดีงามมีแต่รื่นลริงลงไปเพื่อความสุขเศร้าเหงาหนอยเท่านั้นเพราะเป็นเครื่องล่อเช่นเดียวกับเหยื่อที่อยู่กลายเบ็ดรออปลาตัวโง่เท่านั้นเมื่อติดเบ็ดเข้าไปแล้วเหยื่อค่าหาความหมายไม่ได้นี่ความรื่นเริงบันเทิงของสัตว์โลกซึ่งเท่ากับเหยื่อนั้นก็หาความหมายไม่ได้เมื่อเจอเบ็ดคือความทุกข์เข้าไปเพราะอันนี้เป็นชะ เป็นฉากเหยื่อเป็นฉากหน้าเบ็ดเป็นฉากหลังมันอยู่ข้างหลังมันแล้วสมุทายนี้ทํำคำ <c oughs> ทุกคำทรมานให้แก่โลกมาทุกหย่อมหญ้าทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะผ่านพ้นสมุทยัยคือกิเลสประเภทนี้เหล่านี้ไปได้เลยต้องถูกสิ่งเหล่านี้ ธรรมชาติเหล่านี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้พัดผู้ผันเป็นผู้บีบบี้สีไฟหนุนกันไปเพื่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทางนั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อว่าทุกข์ไม่มี พบชาติไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีก็าตามหลักธรรมชาติอันนี้ก็คือสร้างทุกสร้างพบ ส, สร้างชาตินั่นแหละไม่ได้สร้างความสิ้นพบสิ้นชาติไม่ได้สร้างความหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะอํานาจของมันแม้แต่น้อยมาแต่การไไหนไห น, นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งเที่ยวสมุดไ ท, ย, มมทยอะสมุดไทยะอริ ย, ยสัจจำสมุดไทยเป็นของจริงอย่างนี้เคย นำสัตว์โลกหมุนสัตว์โลกผลักสัตว์โลกให้หมุนเย็นเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่กีกับกีกันเป็นมาอย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นตลอดไปถ้าไม่มีมรรคษัตริย์คือความดีเข้าไปแก้แค่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามสัตว์โลกที่จมอยู่ในนี้ก็เพราะความเชื่อมันมันถึงได้หมุนสัตว์โลกให้จมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ใน สามภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วแต่แม้แต่รายเดียวเลยมีความจริงของธรรมชาตินี้ถ้าสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในสามภพนีนะ้สามแดนโลกธาตุนี้สามภพสามภูมินี้ นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรดคือความดับสัินนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความดีงามทั้งหลายได้แก่มรรคสัมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตจนกระทั่งถึงส ม, มาส ม, มาธิการทำคุณงามความดีประการใดก็ตามซึ่งเกี่ยวโยงกัน กับมักแปดนี้สมครอบเข้าในมากไม่หมดเพราะออกิ่งก้านค้แหนงก็ออกไปจากไม้ต้นนี้คือมักแปนี่นี่แหละเป็นเครื่องสังหารวิเลศตัวเป็นภัยตัวเป็นฆาศึกตัวก่อโพยทุกขึ้นมาเผาหลนสัสดทั้งหลายและตัวผลักสัตทั้งหลายให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีจบสิ้น สิ้นชาตลงไปได้เลยก็คือมรรคสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญานี่หละเป็นเครื่องสังหารตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดถึงทางด้านปฏิบัติเริ่มแรกแห่งการฝึกการทรมานนี่คือการเข้าห้ามหันกับพิเลส ในขั้นเริ่มแรกได้จากการนั่งสมาธิพอนนาเพราะกิเลสมันจะหมุนกิตอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งไปปิ้งมาอย่างเช่นนั้นและพยายามหักห้ามจิตไม่ให้หมุนเพราะกิเลสพาให้จิตหมุนไม่ใช่ขันธรรมดาหมุนขันธรรมดาคือขันล้วนดังขันพาาระรหัสนั้นไม่มีความหมายอะไรที่จะให้เกิดภพเกิดชาตินี่ต่างกันแต่ขันที่เป็นสมุทัย สึ่งสังขารขันชัญญาขันวิญญาณขันอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุทยัยเวทนาขันก็กลายเป็นออกออกมาจากสมุทัยมาเป็นทุกข์เวลาฝึกหัดภาวนาได้พยายามระงับขันที่เป็นตัวสมุทัยนี้ไว้แล้วเอาขันที่เป็นมากขึ้นมาแทนที่เช่น ดาวดิกรรมภาวนาบทธรรมบทใดก็ตามนั่นแหละคือให้ขันทํางานโดยธรรมไม่จะทํางานด้วยอํานาจของสมุทัยพาให้ทําจึงต้องในห้ามหันกันภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายมีสติสตางตั้งมั่นอยู่ในคําบริกรรมภาวนาของตนจนกระทั่งจิตสงบได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นธรรมนี่คือการต่อสู้ สมบไทยให้ระงับตัวให้อ่อนกําลังลงไปเพื่อจิตจะได้รับความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วจะเป็นพลังขึ้นมาความเชื่อก็มีเชื่อในผลที่ตนได้รับความสงบจากความปราศจากสมุทัยรบกวนและจากธรรมที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความสงบได้แก่คาบริกรรมภาวนา ความเพียรก็เพิ่มขึ้นคือศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่ปรากฏแล้วก็ความภาคเพียรก็หนักแน่นเข้าไปโดยลําดับความพอใจในอันที่จะทําหน้าที่อของตนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมเป็นกําลังรวมตัวเข้ามาหาจุดแห่งความเพียรที่จะทําให้ยิ่งกว่านั้นให้สงบมากกว่านั้นนี่เรียกว่ามาัด จนจิตมีความสงบได้ทั้งๆที่ไม่เคยสงบเลยจากนั้นก็เร่งความเพียรทางด้านปัญญาก็ออกพิจารณ า, นานให้ควรดีเพราะจิตมีพลังจิตสงบตัวย่อมอื่นตัวย่อมไม่ฟุ้งเฟอ้อย่อมไม่ฟุ้งซ่านจะความ เป็นความนำคาลขึ้นมาในใจแล้วนําปัญญาออกพิมิพิจรารณาตามความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ทุกทุกชิ้นทุกอันในร่างกายของเราหรือในขันของเรานี้มีแต่ความจริงล้วนๆให้ปัญญาได้อย่งเข้าสู่ความจริงอันนั้นเพื่อจะลบล้างความจอมปลอมที่ถูกเกลื่อกลั้นบัญยอมมาจากที่เหตุว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยนี่เป็นของงามเป็นต้น ให้ลงอยู่ในหลักธรรมชาติเช่นผมสักแต่ว่าผมขนเล็บปันหนังสักแต่ว่าแต่และอย่างแต่อย่างเท่านั้นไม่ปรากฏว่าเป็นของสวยของงามแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังคลี่คลายเข้าไปถึงหลักจนถึงความปฏิปูลโสโคของใหม่ผมมันสะอาดที่ตรงไหนตัวของมันก็เป็นธรรมชาติที่โสโปรหรือเป็นธรรมชาติที่ปฏิกุลอยู่แล้ว แล้วเกิดเกิดขึ้นในสถานที่เช่นไรสถานที่เกิดก็เป็นสถานที่ปฏิกูลโสโกโรคที่อยู่ก็โสโกโรคขนและปันมีแต่ธรรมชาติที่สกรปกโสโรกโสกโรคด้วยกันและอยู่ด้วยกันเต็มปะละกองปฏิกูลโศกโรคหมดทั้งร่างนี้ทั้งภายนอกภายในนี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในร่างกายของคนของสัตว์ทุกร่างเป็นเช่นนี้ ปัญญาอย่างภาพลงไปตามหลักความจริงเหล่านี้ไม่ให้คาดเคลื่อนไปจากนี้โดยถูกหลอกพิเลรศของพิเลศไปว่าเป็นของสวยของของนามที่มาปักเสียบเอาไว้ยอย่างจอมปลองอันนี้พิจารณาจนเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ควรจะแยกจะแยกเอกไปขยับขย า, ายออกไปให้เป็นกองอนิจจ์แปรสภาพในร่างกายนี้ก็ให้เห็นด้วยปัญญาสิ่ง น, นั้นแปรลงไปสิ่ง น, นี้แปรลงไป ทำว่าทุกขังก็ไม่ต้องพูดแหละเพียงนั่งภาวนาอยู่เวลานั้นมันก็บีบบังคับอยู่แล้วเห็นชัดๆอนาตามเมื่อรวมความลงแล้วสิ่งเหล่านี้อะไรที่มาประกาศตนมาเป็นเราเป็นของเราให้เราพูดที่เชื่อมัน่นว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นได้เชื่อถือมันว่าเป็นความจริงมันไม่มีอะไรมีเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างละอย่างซึ่งทรงความจริงตามหลักธรรมชาติของตนไม่เท่านั้น และประชุมรวมกันอยู่เป็นก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจิตเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นตัวอุปทานประสานงานทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้ทําหน้าที่ขอ ง, ของตัวตามอวัยวะหรือส่วนต่างๆของประสาทในร่างกายทุกส่วนอย่างไรก็ไม่พ้นความยึดมั่นถือมั่นที่เต็มไปอยู่ในธาตุในกายอย่างนี้ น, นี่มันก็มีเท่านั้น ปัญญาอย่างทราบลงไปอย่างนั้นการพิจารณาให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้าําๆาถืออันนี้เป็นทางเดินถืออันนี้เป็นงานเป็นการในขณะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิว่ามีมากมีน้อยหรือไม่หมีเพราะเราพิจารณาสัจธรรมด้วยกันเป็นสัจธรรมด้วยกันสมาธิก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งต่างวาระกันที่จะต้องทําให้เป็นสัจธรรมทางด้านปัญญา <c oughs> เมื่อพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าย่อมจะทราบในวาระใดวาระนึ่งไม่สงสัยและแทงหลายครั้งไร้ผลเจาะหลายครั้งไร้ผลย่อมทะลุถึงความจริงได้แม้น้อยก็าตามจะเป็นเรื่องใหญ่โตคือเป็นความแต่ความจริงเป็นสถีพยานขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นด้วยปัญญาของเราเองไม่ใช่ปัญญาความสําคัญมั่นหมายที่จํามาจากครูจากอาจารย์แต่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเหงจริงในความจริงนี้ด้วยตัวเอง น่น้อยก็าตามก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากภายในจิตใจของเราทําให้จิตใจตื่นเต้นเกิดความตระหนกสังเวชในสิ่งที่ตนแบบตนถามอยู่ด้วยความเป็นของปฏิคุณโสโคกนี้มานานเพิ่มจะได้พบได้เห็นกันวันนี้ได้รู้กันวันนี้แล้วก็มีกําลังใจมากมายทีเดียวในขณะที่รู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความจริงแม่ขณะหนึ่งก็ตามจิตใจจะเบาหาที่เทียบไม่ได้ มพิจารณาร่างกายอยู่ก็ตามในขณะนั้นร่างกายเป็นเหมือนไม่มีหากพิจารณาร่างกายตัวเองนั่นแหละเพราะจิตมันเินอยู่กับอาการต่างๆของร่างกายในภาพที่ตนกำลังพิจารณานั้นร่างกายส่วนใหญ่นี่เลยหายไปเงียบเหมือนไม่มีน่ะการพิจารณาถึงวล า, าที่จะ ให้เข้าสู่ความสงบก็ไม่ต้องไปกังวลกับทางด้านปัญญาว่าจะคิดอย่างนั้นจะพิจารณาอย่างนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่เพื่อความสงบโดยบทธรรมของตอนนี่โดยวิธีใดก็ตามผู้ทํานาญแล้วย่อมไม่เกี่ยวกับบทธรรมพอกําหนดที่จิตจะสงบลงได้ทันทีทันใดนี่ไม่สงสัยแต่นิจิตยังไม่ได้ที่ใดฐานยังไม่ชํานิทํานานในทางสมาธิภาวนาย่อมจะต้องอาศัยคําบริกรรม เป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นยังมีผี่มีห่างต่างกันถ้าจิตมันยังจะแยบแย บ, แยบจะคอยออกลอกนู่ออกนอกลูก่นอกทางอยู่แล้วคําบริกรรมก็ผี่เข้าไปขยับเข้าไปความตั้งใจตั้งเข้าไปเรื่อยๆตั้งอยู่ในหน้าที่อันเดียวเหมือนกับโลกกระถางนี้ไม่มีอะไรเลยความอยากคิดงั้นคิด น, นี้มันจะอยากขึ้นที่ใจมันจะเห็นมันจะดันออกมาให้เกิดความกระเพื่อมในความคิดความกลุงต่างๆถ้าได้ ใจได้จาะลงไปในจุดแห่งความรู้นั้นแล้วจะเห็นความกระเพื่อมจะเห็นความดันของสังขารที่มันจะปุ่มออกมาท่านยาจะหมายออกมาโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันนอกจากเราจะตื่นเงามันไปพอมันผลักดันออกมาแล้วก็ปล่อยห้องผลักดันออกไปก็ตื่นเงาคือภาพของมันที่หลอกเรื่องนั้นเรื่องนี้รูปนั้นรูปนี้ไปละออกมาข้างนอกไปแล้วมันออกไปจากใจมันออกไปจากไหนเมื่อใจไม่ให้มันคิด ให้มันรู้อยู่กับใจแล้วย่อมไม่มีเรื่องเรื่องไม่มีเรื่องภาพนั่นภาพนี้ก็ไม่มีเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็มีเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเศร้าโศกเสียใจเพลิดเพินลื่นลื่นก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้หลอกออกไปให้เป็นเทียนนำมันสังขารตัณยาหลอกต่างหากให้เราตื่นภาพของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันอิ่มพอไม่มีอัตคำมันนี่เป็นภาพอัตมาอัตอดีตมากี่ วันกี่ปีกี่เดือนนี่เป็นเรื่องราวของอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงไม่เคยคิดไม่เคยคํานึงเพราะมันว่าท่าออกมาในวงปัจจุบันของกิเลสออกมาหลอกเราอย่างสดสดร้อนร้อนก็ตื่นเงามันไปเรื่อยๆนี่ถ้าถ้าไม่กําหนดดูตรงจุดที่มันกระเพื่อมแล้วมันจะเป็นภาพออกมาหลอกเจ้าของเลยลืมจุดพูดู้นี่เสียก็เลยเพลินไปตามอาการของมันสมาธิก็เหลวไหลไปเลย เพราะฉนั้นจึงต้องใช้คําบริกรรมให้ถี่ยิบลงไปจนจิตสงบได้ตั้งให้มันทํางานอยู่กับคําบริกรรมให้มันปรุงอยู่กับคําบริกรรมเพราะคํามปรุงอันนี้เป็นเป็นมัชความปรุงของอสิ่งหลอกรวงเหล่านั้นเป็นสมุ ท, ทยัยเราแยกจิตออกมาให้ปรุงในทางมัชได้แก่บทธรรมนี้ให้อีูในนี้ถึงยมม่ำสงบได้อุบายวิธีเปลี่ยนแปลง การทำความเพียนท้้งตนแล้วแต่ผู้ความเพ็ยจะเห็นต้องควรควรเดินควรยืนควรนั่งควรนอนด้วยวิธีการใดในทางความเพียนให้เป็นที่ถนัดของตัวเองส่วนมากก็อิยาบทสองคือยืนก็ ค, คือนั่งและเดินยืนก็มีเป็นบางครัง้งบางคราวมีหลักของการทำจิตให้สงบทาเช่นนั้น เวลาจะพักก็พักเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ทําหน้าที่ของตัวเองเสมอจิตใจย่อมจะสงบเยือกเย็นและจะมีความแยบายเพราะสมาธิก็มีปัญญาก็มีตามขั้นภูมิของสมาธิและขั้นภูมิของปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปใจย่อมเย็นย่อมสบายเมื่อกิเลสไม่ก่อควรมากเยอะเท่านั้นมันก็สมายิ เพียงขั้นสมาธินี่ก็เพลินก็สบายสงบเย็นมองดูอะไรก็รู้สึกว่าจะเยือกเย็นไม่ได้ปิดหูปิดตาอยู่อย่างแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธินี่ผิดกันตรงนี้อยิ่งปัญญาได้ออกกว้างรู้สิ่งทั้งหลายจนกระทั่งมันนี้เป็นผู้ตามภูมิมันครอบโลกธาตุเลยปัญญากระจายไปหมดถึงวาราที่จะออกแล้วห้ามไม่อย่ เป็นหลักธรรมชาติของนิสัยหลักธรรมชาติของปัญญาที่มีความสามารถกว้างแค่ขนาดไหนจะประมวลเข้ามาสู่วงสัจธรรมทั้งนั้นให้ลูกแ้งเห็นจริงโดยลำดับจมนาลแล้วปล่อยวางกันไปไเรื่อยๆจนกระทั่งย่นเข้ามาสู่หลักใหญ่มันได้แฝงร่างกายซึ่งรวมไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรวมในธาตุสี่ขันห้าย่น้ามา แยกแยะดูให้เห็นชัดเกจนนุ่ยปัญญาซึ่งมีความแหลมคมเข้าโดยลําดับลำดาจนกระทั่งทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่เคยปล่อยก็ปล่อยเห็นอย่างชัดเจนปล่อยให้รู้ให้เจ้าของเห็นอย่างชัดเจนเช่นอุปทานในกายเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเต็มทีแล้วเอาไว้ไม่อยู่บังคับไม่ได้ที่ว่าจะไม่ให้ปล่อยเพราะพิจารณาเพื่อรู้ การยึดการถือนั้นยึดถือเพราะความหลงจึงถือความหลงตามความจําปอนจริงยึดความจําปลอมว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วย่อมจะปล่อยวางความจำเปอมเข้ามาตามหลักความจริงเพราะเราพิจารณาเพื่อความจริงย่อมจะเห็นความจริงภายในตัวแล้วสอนตัวออกมานหลักของการพิจารณาในเรื่องการเบทนากิจ สามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันจะพูดว่าให้พิจารณั้นก่อนพิจารณาพิจารณานี้ที่หลังไม่ได้ในภาคปฏิบัติเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์กันผู้เข้าสูน์ในวงทำทั้งสามนี้ย่อมจะทราบตัวเองเช่นเดียวกับนักมวยเขาต่อยมวยควรจะขึ้นเขาขึ้นสอบขึ้นเท้า ขึ้นใหม่ระยะไหนเป็นที่เหมาะน้ามวยจะทําหน้าที่เองนี่ก็เหมือนกันควรจะจิตจะหมุนเข้าสู่เวทนาหมุนเข้าสู่กายหมุนเข้าสู่จิตในระยะใดขณะใดนั้นมันเป็นความเหมาะสมของจิตที่จะแยกแยกหาความกินใส่ตนจึงบอกไม่ได้ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ที่หลังแต่ส่วนมากก็กายจะเวอือก็กาย กายจกตาเป็นพื้นสําคัญมันมากพิจารณานี้ก่อนทั้งๆ ท, ที่กําลังพิจารณานี้อยู่เมื่วลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตมันหมุนไปหาทุกขเวทนาก็ได้เพราะเป็นวงสัจธรรมด้วยกันแล้วทีนี่พิจารณานประสานกันแยกแยะดูให้เห็นสิ่งใดเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งเข้าถึงจิดซึ่งเป็นตัวสําคัญมันหมายสัญญามันออกมาจากจิต มาว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ความจริงทุกข์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเพรานั้นไม่ได้เป็นอะไรกายแต่ละส่วนละส่วนก็เป็นกายแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอาการของตนอยู่ะนั้นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นเจตนานั้นหาจิตนี้เองเป็นพูดไปสำคัญมันหมายคือสัญญาเพราะลายถึงมาจิตนี้เป็นสำคัญเพราะตัวอวิชชาตัวหลอกมันอยู่ภายในจิตมันย่ำจะหลอกออกไปทีนี้เวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามา เมื่อัมุทยมันหดตัวอวิชามันหดตัวเข้าไปในเวลานั้นพราถูกตัดทั้งนอกเข้าไปความตัญงย่าความสาคัญมันหมายเรแยกแยะดูแย ก, ยกแยะดูจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาตั้งพันมั่นหมายสุดท้ายจิตก็จริงตายก็จริงเวทนาคือทุกก็จริงจิตก็จริงในขณะนั้นต่างอันต่างจริงไม่ประจับประสานกันไม่ค้าเคล้ากันแล้วไม่กระทบกันนี่ก bedroom. ารพิจารณา ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้แป่ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี่ทีหลังพูดไม่ได้แต่ภาคพื้นแห่งการพิจารณาในขั้นเริ่มแรกนี้ส่วนมากก็หนีการไปไในพนนแะต้องพิจารณากายดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเมื่อจิตได้ถอยเข้ามาเป็นความจริงของตัวแล้วย่อมต่อว่าง ทุกเวตุนาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนกันนั่นนี่การพิจารณาเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดความอาถฐานไม่สะทกสะทานแม้ทุกในกายมันจะมีมากเพียงไรก็ไม่เคยกระทกสะทสานไม่หวั่นไหวเพราะไม่กระทบกระเทือนจิตจิตย่อมเป็นจิตเต็มตัวแม้อยู่ในจะในภูมิของอวิชชาออครอบหวัวอยู่ก็าตามเถือยย่อมเป็นเช่นนั้น จนกระทั่งในพังทลายตัวอวิชชาออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดเรียนสัจธรรมจบตรงนั้นเองเรียนสติปัฏฐานสีจ่จบจบอยู่ที่จิตจบอยู่ที่อวิชาบันไหลอวิชชายังยังยังไม่พัง สัจจะธรรมก็ยังเรียนไม่จบเพราะวิชาทางทายลงจากใจเท่านั้นเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบทุกก็จบเรียนจบสมุทัยก็เรียนจบมรรคก็เรียนจบนิโรธก็เรียนจบผู้ที่รู้ว่าทุกเรียนทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนอกไปจาก วงเศรษฐธรรมซึ่งเป็นวงสมมุตินี่แล้วโดยประการทั้งปวงที่นี่ทุกหามาที่ไหนมาที่ทาไมจะไม่รู้เรื่องของกิจที่ถูกอวิชามันฉุดมันลากให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่ตั้งแต่ลากปล่อยของมันมาเรื่อยเรื่อยเรืยจนกระทั่งเข้าถึงรากแก่ของมันตัดขาดสะบั้นมาหมดแล้วต้นไม้ต้นนี้มันจะไปเกิดที่ไหนอีกน่ะเห็นชัดเจนอย่างนั้น เผาไม่เผาฝังไม่ฝังทิ้งไปอย่างนั้นมันก็ตายเพราะอวิชชาได้ทางลงไปเท่านั้นไม่บอกว่าไปเกิดเสียก็ไม่เกิดบอกให้ไปเกิดเสียก็ไม่ไปเพราะมันสิ้นเชื่อแล้วเชื่อของภพของชาติที่ ส, สัตว์ทั้งหลายได้เกิดเจ็เจ็บตายทุกทัวหน้ากันนี้ก็คืออวิชชาดวงเดียวที่ครอบจิตนี้เท่านั้นไม่มีอายเลยรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจทีเดียว นี่นักปฏิบัติที่เรียก ว, ว่าฉั้นทิติโกไม่เกิดยันได้เลยพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดเพราะรู้ได้อย่างเต็มใจมีกิเลสนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดน่ะไม่มีอะไรพาให้สัตว์เกิดพอธรรมชาติอันนี้ซึ่งเป็นเชื้ออันสาคัญได้ทังทลายลางไปแล้วความบริสุทธิ์ล้วนๆเห็นอยู่กับตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องติ่อต่ อ, อเป็นเอกเทศของตัวเองระหว่างสมมุติกับวินมุติ แยกกันถ้าจะมีถ้าพูดเป็นสองโลกก็เป็นคนละโลกแล้วถ้าเป็นหินก็เป็นหินหักแล้วเอามาต่อกันได้ยะมาต่อมันก็เหมือนธรรมชาติทั้งหมดนามาต่อก็มาจ่อจ่อไว้เฉยมันไม่ติดเหมือนยังจิตกับขันที่อยู่ด้วยกันมันก็จ่อจอกันอยู่เท่านั้นมันไม่ติดเป็นหลักธรรมชาติทของจิตที่บริสุดแล้วกับขันที่ทําหน้าที่ต่อกันรับผิดชอบกัน เพียงเท่านั้นไม่ได้มากไปกว่านั้นและไม่มีอะไรมาบังคับเหนือสิ่งบังคับทั้งหมดแล้วนี่คือความจริงล้นล้วนแห่งความบริสุทธิ์เป็นเช่นนี้นี่แ่ละท่านว่าดุกขังนัดทิอาชาตชิทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์จากเชื่อแห่งความเกิดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้น นอกนั้นเกิดทั้งเพรเกิดแล้วไม่ว่าตายทั้งเพรจะว่าอะไรมันตายทั้งเพรทุกทั้งเพรเนี่ถึงได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ยังไรไม่มีใครบอกใครสอนเลยอันนี้หนานแน่นยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้นี่เป็นตัวมหาอำนาจครอบไม่หมดทุกดวงจิตของตัไม่มีใครที่จะเล็ดลอดออกไปได้เลยแต่ว่าวิจ้าโผล่ขึ้นมาได้นี่อัศจรรย์ไหม โดย ม, มีใครแนะนําต่างสอนเลยทรงขึ้นมาได้ด้วยสยามผูทรงรู้เองเห็นเองไม่มีใครแนะนําต่างสอนนพวกเราย่งแนะนําต่างสอนกันแล้วกันเน่าแทบล้มแทบตายยังไม่ได้เรื่องเลยเราอะไรในพ้นที่ที่เดชจะมาฉุดมาลากอาไปกินกําลังลากําลังยำอะไรอยู่ที่เดชเอาไปกินเสียจะของไม่ได้กินกำลังปรับปรุงอัตธรรมเพื่อจะได้อาศัย ภาษาลโลกโลกเราก็เรียกว่าจะได้อยู่ได้กินโอชาลดขี้เหลยกมันเพื่อเอาไปกินเสียไมไ่เรื่องถ้าภาวนาถ้าไดต่อไม่เอาไปกินเสียกินเสียอย่างจริงโดยรับการแนะนําสั่งสอนอยู่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่อาชจ ร, รูปุจิเจ้าอาชจ ร, รูปอะไรทีนี้ความรู้ของพระพุทธเจ้ากับคํามรู้สาวกต่างกันอย่างไรเพียงสาวกท่านก็อาชจรย์ในท่านแล้วไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็น หยุไม่เคยเป็นเป็นะแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรงทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเป็นอะโลโกอุดปาฏิขึ้นมาเต็มแล้ววิชาวิชาอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิคุญญาณอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาวอุดปาฏิอะโลโกอุดปาฏิเต็มภูมิภาคไทยของพระพุทธเจ้าแล้วทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี่ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนโลกได้ถึงสามแดนโลกธาตุหรือ ไม่รู้ไม่เห็นสอนก็ได้อย่างไงไม่เห็นเทวดาสอนเทวดาได้ยังไงไม่เห็นอินคมสอนอินสอนผมได้ยังไงไม่เห็นเปรตเห็นสัตว์นรกจะสอนมาได้ยังไงนำเราสิ่งเหล่านี้มาพูดได้ยังไงเพราะไม่ใช่ศาสดราดวงด้นเดาทรงรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างตั้งแต่สัจธรรมที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงยังมาประกาศกระเพื่อนโลกอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ทําไมสิ่งนั้นจะเป็นของปลอมไปเพราะเป็นธําของจิง เป็นเพื่อได้ความมีอยู่เป็นอยู่ของตนด้วยกันทั้งนั้นกับสัจธรรมซึ่งมีประจําในในสัสตว์ของสัตว์งขามทั้งหลายนี่น <ะ S 3> บาปไม่มีอะไรเผาโลกอยู่เวลานี้ <sis S 2> บุญไม่มีโลกทรงตัวได้อย่างไงคนดีมีได้อย่างไงเนโลกไม่มีสัสตว์ทั้งหลายจะไม่รับทุกทรมานได้ จะเป็นทุกข์ทรมานได้อย่างไรสารพรมโลกไม่มีพุทธเจ้าสอนเทวดาอื่นพรหมได้อย่างไรพวกผู้ตาดีท่านไม่มีปัญหาเนี่ยพวกตาบอดไปเจอลบล้างแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาเผาตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์ไดเลยก็คือพวกกิเลสครอบงำหัวใจนั่นเองถูพกพ้นจากกิเลสถ้าไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านเมตตาสงสารผูเร้เล็กเท่านั้นเอง นี่เาที่พุทธเจ้าทรงเมตตาโลกอย่างหาที่เปียกหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความเห็นโทษอย่างถึงท่าไทยในวัฏจักรวัฏจิตที่พามุ่เปี่ยนเปลี่ยนแปลงความนาาของกิเลสจึงต้องสอนลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลถึงถิงถึงความจริงทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณด้วยพระเมตตาล้นลนวนเรื่อยมาแม้ปริเดีปริพันยังต้องประทานพระอวาดไว้อีกธาตบันไดไว้สะพานไว้ คุยหมายปาทางเอาไว้เพื่อจัดโลกทํางหายผู้ที่มีปณิสัยอยู่จะได้ตะเกียบตะกายไปตามพระองค์ก็จะหลุดพ้นแม้ไม่ไม่ถึงที่สุดวิมุตติพาน์นก็พอผ่อนหนักเป็นเบาก็อํานาจแห่งความดีของตนและ็อํานาจแห่งหลักธรรมพุทธเจ้าที่สัดโลกทั้งหลายได้เกาะก็ออยังเป็นของดียิ่งกว่ากิเลสจะฉุดจะลาบหรือฉุดลากถูกกิเลสจุดลากไปตลอดเวลานั้นเป็นไหนไหนไหนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ยายเห็นแต่ความข้อถอยอ่อนแอและความทุกข์ความลําบากถสิ่งนี้เราเคยมาอย่างจําเกยได้จนหาสิ่งที่จะเอามาเทียบมาเกียว ม, มาวัดมาตวงกันไม่ได้แล้วมันเต็มหัวใจด้วยกันเต็มอยู่ที่หัวใจนี่เนี่ยเป็นตัวสร้างพบสร้างชาติเป็นตัวพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวไหนดินน้ําลงไฟมันก็เป็นสภาพของมันอยู่นั้นแต่ปุ่นี่เข้าไปแทรกไปสิงไปเกี่ยวไปคล้องตัวผันมันถึงได้มาดินน้ำลงไฟที่ในกลาย ข, ขึ้นมาเป็นพบ เป็นชาตเป็นจัดเป็นบุคคลดังนั้นชื่อให้นามนอกกันนั้นดังเรียกดังถือว่า น, นี้เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นดินน้ำลมไปเป็นธาตุต่างๆของมันแล้วก็ยังไม่อายเพราะกิเลสไม่พาให้อายไม่มีอะไรจะน่าด้านยิ่งกวิกิเลสที่ด้านที่สุดค่อยแทรกค่อยแสบค่อยลบล้างของความปีนของปินตลอดเวลามันจะอายได้ยังไงเมือ่อกิเลสได้ครอบหัวใจใดเข้ามากน้อยมันย่อมทำให้ เกิดความนหน้าด้านขึ้นมาในอัดในธรรมลบน้าธรรได้ฮะตัวชุดหน่อยแนละ้วอาลนะวะดอย่างตัวนี้นะ